حق أم أن تمينا لعباد قَالَ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فقرهن وأنا على ذلك وأنا على ذلك من الشهيدين والله ل َ أكيد َ ن أصنعكم بعد أن تولوا مجدري بعد أن تولوا مجدري فجعل لهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون لعلهم إليه يرجعون قالوا ما فعل هذا بآلهتنا قالوا فَعَلَهَا ذَا ب ِ آ ل ِ ه َ ت ِ ن َ ا إِنَّهُ لَمِنَ ا ل ظ ق ا ل ِ م ِ إِنَّهُ لَمِنَ الْقَالِمِ قَالُوا سَمِعْنَا ف َ ت ق َ ا ل ُ و ا سَمِعْنَا ف َ ت َ จะจักุรุฮฺมิ้วกลุลละหฺอิบรอฮฺมิ้ัสมัลลอฮฺอัลลอฮฺม ل ลลัลลอฮฺอัลลอฮฺันัลฮะมดัลลอัลลัลฮะมดัลละดัลลอัลัลฮะอัลลัลฮะมัลลอัลลัลฮะมดัลอัลลัลลลอัลลัลฮะมดัลอัมดัลลอัละมดัลลอัลลัละมดลลอัลลัลฮดัลลอัลลัลฮมดัลลลลัลฮะมลละลฮด ว่าชดว่าไม่่อัลลาหุวะห์ดะหุลาชรีกัละว่าชดว่านันมูฮัมมะดันับดุหุวะระซูลหุัลลาหุ่มะบิกะับัพนะวะบิกะัมซีนะวะบิกะนัพยะวะบิกะนัมุต์วะทีลายคันุชูรั่งุ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 Allahu um m a a f في بدني وعافيني في سمعي و ع ا ف ن ي في ب ر ي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาสุบหรุฟัจรที่รับตังไลค์ับ a ุ h a m ขอบคุณ a l سبحانه และุ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับดูงที่มุสลิมทุกคนที่จะต้องรำลึกถึงอัลลอ์ขอบคุณอัลลอ์ที่ให้เรานอนลาไปก็คืออัลฮ์มดุลิลลาฮิลาดิอัฮยานาบาดามะอามะตานาไวไลฮินโนชูรนะครับต้องนึกถึงอัลลอ์ต้องขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอ์ให้ ให้ให้โอกาสกับเราเยอะมากครับขอบคุณนบลที่เราได้มีโอกาสมานมารวมกันเป็นจะมาที่มัสยิดแล้วก็หลังจากนมาเสร็จแล้ววันนี้เรามีเยาวชนพี่น้องเมื่อวานนี้ถามว่ามีเยาวชนมาสมัครเท่าไหร่เกือบสามรอยนะครับแสดงว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นห่วงลูกถ้าไม่ห่วงคงไม่ส่งมาหรอก เอาไว้ที่บ้านเล่นเกมมาแล้วแตอนี่พ่อแม่เนี่ยกลัวถ้าว่าปล่อยไว้ก็คงไม่มีประโยชน์มีแต่อันตรายท่า น, นขอบคุณนอลล์พี่น้องที่พี่น้องส่งลูกส่งหลานมาเนี่ยมาเข้าค่ายอบรมอย่างน้อยไดายนามาดเนี่ยช่วงช่วงค่ายเนี่ยพี่น้องถ้าเปิดค่าย2ี่สิบวันก็ยี่สิบวันลูกของท่านเนี่ยไม่ขาดนามาเลยได้นามาเป็นจม้าที่มัสยิด ไอ้จะคายกอดบอนอยู่บ้านนั่นแหละแต่อยู่ที่นี่นะไม่ขาดฉะนั้นลูกเนี่ยอย่าเลี้ยงเองให้คุณอื่นเลี้ยงเหมือนใครท่านนาบีมุฮัมมัดเองคุณพ่อเสียชีวิตก่อนท่านนาบีจะเกิดท่านนาบีอายุได้หกขวบนั่นคุณแม่เสียชีวิตหลังจากนั้นอยู่กับคุณอื่นหมดเลยเห็นไหมฉะนั้นให้คุณอื่นเลี้ยงเนี่ยดี เลี้ยงเองเลียงเองจะดู ก, ก็กลัวโอ้กลัวไปหมดแล้วแต่ว่ายิ่งยิ่งรักลูกรักหลานเนี่ยไม่กล้าทำอะไรเลยนะเอาละพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์เรามาทบทวนอัลกุรอานในปีนี้ปีที่เท่าไหร่พี่เฉลิมปี 21, ที่21ใช่มหได้21สซูรอ่ยีเอ็ดยี่สิบปีได้21่สเอ็ดซูรอัลฮัมดุลิลลา และคนที่มานั่งฟังคูนอ่านเนี่ยตายไปเยอะแล้วนี่ก็รอคนสอนตายสอือ่นเรียแลพี่นอ้องกูรอานนี่พี่นอ้ อ, นนนองสรุปแล้วนะเรื่องของมนุษย์หมดเลยไม่ได้พูดเรื่องใครเรื่องของเราทั้งหมดตั้งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบันตั้งแต่อายาแรกถึงอายาสุดท้ายเนี่ยสอนเราให้ห่างไกลจากเรื่องชั่วสอนเราให้เคารพพักดีให้เชื่อฟังอัลลอ สอนเราให้รักอัลกรุรอานสอนเราให้นึกยึดสุนาคุท่านนาบีนะครับมีอยู่สามเรื่องใหญ่ๆหนึ่งเรื่องอัลลอ์สองเรื่องกรุรอานสามเรื่องนบีสามเรื่องนะครับวันนี้เรามาถึงอายาที่ห้าสบอ็ดนะครับห1บอดนะครับห้5สบห้าบนะครับห้าสิบห้าหสบห้า อาลัยม์อับดุลลา ح ีมินัَซาอิยฺบานิรَจีมกล่าวว่าเจตนาบิลฮะควีหْืَคุณที่ไม่รู้กล่าวว่าเจตนِบิลฮะ ประคำดูลิลเป็นน้องนี่ความรู้จา ก, ก آن, อลกุรอานอาย่านี้นะครับอัลลอฮ์มีอยู่สองประเด็นใหญ่ๆอ่ะดูดู ด, ดูดูความหมายก่อนนะครับกอดูพวกเขาทั้งหลายต้องท่าวความท่าวความเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่าวความอาทิตย์ที่แล้วคือเรื่องเป็นอย่างงี้นบีอิบรอฮีมเนี่ยพูดกับพ่อ ท้าความนิดหนึ่งนะพูดกับพ่อแล้วพูดกับญาติพี่น้องของนบีบรอฮีมพูดบอกว่าไงนะพ่อไปกราบรูปเจเวีตทําไมพ่อเอ้ยญาติพี่น้องเอ้ยไปกราบรูปเจเวีตทาไมคุณพ่อเนี่ยตอบเหมือนคําตอบวันนี้ในเมืองไทยเหมือนกันคุณพ่อตอบว่าอย่างงี้ละก็เด้อ กัลลวะจัดนาอายาที่ห้าสิบสามคือคําตอบกัลลวะจัดนาอาบะอานาละฮะอาบีดีนนี่คือคําตอบคําตอบว่าไงนะพวกเขากล่าวว่าเราได้พบบรรพระบุรุษเราได้พบบรรพระบุรุษบรรพระบุรุษบางคน ง, งงๆอะไรบันพระบุรุษเอาแปลง่ายๆกับต่อยอดแช่ ต่อยョแช่โต๊กีที่ทำกันมาเนี่ยเราพบพอเกิดมาก็เห็นแช่พ่อแม่โตะ๊ะแช่ผุนหลักผู้ใหญ่ในบู่บ้านทำอย่างนี้มาตลอดแล้วก็ลาฮาอาบิดินเป็นผู้สักการะบูชามันเราเกิดมานะเห็นพ่อกราบรูปเจเวตเกิดมาเห็นแช่กราบรูปเจเวตเกิดมาเห็นโต๊ะกราบรูปจเจวต เราก็เลยกราบตามปู่ย่าตายายมันผิดตรงไหนเดี๋ยวนี้ใ น, นเมืองไทยเนี่ยพูดต่อไปอีกถ้าปู่ย่าตายายผิดฉันก็ผิดดังนั้นจะปล่อยให้ปู่ย่าตายายตกตกนรกทําไมเขาตัวนรกกันหมดแล้วใช่ไหมอ่ะโอ้เนี่ยนี่ภาษาของพวกเราคําตอบก็คือเป็นอย่างงี้ถ้าหากคือการตามปู่ย่าตายายเนี่ยได้หรือไม่ได้พี่ต้อง ต้องตั้งคำถามอยู่ในใจเออตามปู่ย่าตายายโตโ ต, ตแชร์ๆที่ทำมานี่น่ยได้หรือไม่ได้พี่น้องคงตอบในใจแล้วนะได้ไหมอ้าวดูอายาต่อไปอยาที่54าสิบสี่แล้วก็เดกรูนตุ่มอันตุ่มว่าบาอุคุมฟีบลาลิ ม, มูบินน บ, บีอิบราฮีมตอบ ว่าตามผู้ญาตาิยายเนี่ยเป็นยังไงและอัลลอฮ์พอใจคาตอบคำนี้เลยมาเล่าในกัรพีกลุ่อ่านบอกกับนบีมุฮัมมัดให้นบีมาสอนพวกเราอิบราฮีมตอบว่าไงนะโดยแน่นอนยิ่งกุนตุ่มพวกท่านอันตุ่มพวกท่านเน้นกี่ครั้งสองครั้งไอของเน้นๆในพีกุอ่านจแสดงว่าพวกคุณนั่นแหละพวกมึงนั่นแหละอ่าพูอย่างนี้นะ ท่านนั่นแหละท่านนั่นแหละวาอาบาอูกุมคําที่สามและบัรพัพบุรุษของท่านด้วยท่านในปัจจุบันนี้ท่านในปัจจุบันนี้รวมไปถึงบรรพัพบุรุษของท่านที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นฟีบอลาลินอยู่ในทางหลงผิดไม่ใช่ผิดธรรมดานะมูบินผิดแบบไหน แกวเลย Allah. อัลลอฮฺขวักบัตเห็นไหมตัวรูว่าการตามปูญาตายายในอิสลามไม่อนุญาตให้ไม่อนุญาตเลยถ้าหากอนุญาตให้ตามปูญาตายายได้นี่นะกุรานตายานี้ต้องลบออกลบได้ไหมกุรานลบไม่ได้ต้องเดินตามแล้วเชื่อกุรานอย่างเดียวเลยพี่น้อง เรื่องปูญาตายานี่เราทะเลาะ ก, กันในวันนี้นะเถียงไม่ไปเถียงกันมาก็เรื่องปูญาตายายทั้งนั้นแหละเอา้ากวนสุรยกตัวอย่างเนยกวนบูโบใช่ไหมสุรเอาสุรเนี่ยของเคสนี่กวนมาตลอดนะนะไม่รู้ว่ากวนมาตั้งกี่สิบปีตั้งแต่คุณพ่อขวงญาติกลับมาในปฏิวัติมาให้กวนกูโบเนี่ยถูกด่าว่ากณนใหม่แล้วค่อยๆสอนสอนสอนสอนวันนี้เลิกแล้วแต่ยังเลิกไม่หมด ไอคนที่ทำบอกว่าเพื่อรักษาขนมหวานเอาไว้ไม่ได้เนียดไม่ได้เนียดอะไรนะไม่ได้เนียดที่จะรักษาประเพณีปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้เนียดแต่รักษาว่ากลัวสูตรอะไรนะกลัวซูมันจะหมดไปจากของเค็จรักษาไว้ายาเดียวรักษาสูตรขนมหวานเอาไว้ให้ลูกหลานมันได้นึกให้ลูกหลานมันได้กิน แต่ไม่ได้นึกตามปูญาตายายนึกรักษาสูตรเอาไว้อัาเนียนแบบนี้ดีไหมชายได้ไม่มีปัญหาถ้าเนียนตามปูญาตายายนะ่ะฟีดบอลาลิ้นอยู่ในทางหลงผิดอายานี้อธิบายยังไงรู้อุลมามะอธิบายต่ออีกว่ารวมไปถึงการยึดยึดอุลมามะเนี่ยยึดอุลมามะเนี่ย ย, ย, ยึดมัจฮับ มัธยบับที่ดังๆก็มีอยู่สี่มัธยบัใช่หชาฟีอมัฮชาฟอีมาลกีฮัมบลีใช่ไหมฮานาฟีชาฟีอีฮัมบลัลีชาฟิอีมารีกีสามสี่มับนี่นะเป็นมับัที่ดังเดี๋ยวเรายึดมาธยบับหนึ่งมัธยบัใดได้ไหมตัฟซีหนังสือเล่มเดียวเกิดเป็นภาษาอุล ด, ดูผมอ่านอัลลอฮ์อธิบายยังไง ร, รู้เปล่าคุซูซีกิจับสุนนัตเซอัรอตกเก อปันใอิหมามคืตัรับมันสูบฟิกก็เสโชเรโชเร่ให้ตัวจุรุเรียขยันกันรการที่เราคืออัลลอฮ์เนี่ยส่งกุลแอนมาส่งสุนานะนบีมาต้องการจะให้มุสลิมเนี่ยยึดติดกับอัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีแต่นั้นผู้รู้ผู้รู้จะเป็นที่ไหนก็ตามนะสอนให้มนุษย์นี่นะยึด แนวคิดของอลม์มโดยทิ้งอัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีเนี่ยเข้าอยู่ในอาย่นี้ด้วยเข้าอยู่ในอาย่นี้ด้วยพรอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้การตามอล์มเนี่ยได้ในกรณีที่มีความจำเป็นเช่นถ้าหาท่านพี่น้องยังไม่รู้ว่า <S 2> <S 2> <S นาบีว่าอย่างงี้อัลลอฮ์ว่าอย่างงี้ยังไม่รู้เลยไม่เคยได้ยินมาเลยเนี่ย เดินตามออลม า, าไปก่อนได้ไหมได้เช่นตัวอย่างท่านพี่น้องเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปถึงนั่นตอนกลางคืนประมาณสักทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มก็จะนมาศ์สินมาศ์มกริบนมาศ์อิชาแล้วก็หากิบหลักไม่เจอถามใครจะใครแล้วไม่รู้ว่าทิศตะวันตกมันอยู่ตรงไหน จะนมาดจะต้องหาทิศใช่หรือไม่ใช่หาทิศ ต, ตะวันตกใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่ากิบหลัดอยู่ตรงไหนใช่ไหมถ้าหากว่านมาดไม่ตรงกิบหลัดนมาดใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้แต่ในกรณีจําเป็นที่เรามาถึงโรงแรมตอนสองทุ่มตอง น, นมาดเมริบแล้วก็นมาดอิชารวมกันแล้วก็ตอนนมาดซูโบอีกตอนเชา้าพ่อตะบันมันยังไม่ขึ้นถามใครก็ไม่รู้ว่ากิบหลัดมันอยู่ตรงไหน ให้เรานมารไปเลยตามที่เรามั่นใจว่าทิศนี้แหละเป็นกิบลัดแน่นมารไปเลยสามเวลานะมกริบอิชาอามารวมกันสุวนบวกอีกหนึ่งเวลาพอนมารจบพอตะวันขึ้นเพิ่งรู้ว่ากิบลัดทิศนมารไปเมื่อคืนนะ่ะผิดเอาอยู่ตรงนี้เองกิบลัดหันหน้าไปทางนี้ นมาที่ผ่านมาสามเวลานั้นใช้ได้ไหมใช้ได้จัดจัดจั ด, จ, ด, จ, ดจัดนมาุหัตามกิบลัดเมื่อคืนนั้นได้ยรือไม่ไม่ได้เพราะเรารู้ว่ากิบลัดมันอยู่ตรงนี้ก็ต้องนมาตามกิบลัดเพราะตะวันมันขึ้นแล้วเช่นเดียวกันท่านพี่น้องที่ยึดมาสหกันมาตลอดแล้วก็ต่อมามาเรียนเจอหรือมาฟังไม่ได้ยินมาอ่านหนังสือพบว่า อัลลอฮ์ที่เราทํามาเนี่ยผิดหมดเลยไม่เหมือนใครไม่เหมือนอัลลอฮ์และไม่เหมือนซุนนะานาบีให้ทําไงให้ทิ้งของที่เราเคยทํามาแล้วเนี่ยแล้วก็หันมายึดเอาซุนนะของท่านนาบีเหมือนกับที่หลัดเมื่อคืนนั่นแหละมจะเดียวกันนี่ไงอุลมามะอธิบายอย่างนี้ฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแค่นั้นย่าไปดันตูรามเลยไปน้องเย้ย ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเราอาบน้ำน้ำหมาดแตะศีรษะกันมาสามครั้งใช่หรือไม่ใช่ผมก็พิงทิ้งไ ม, ม่กี่ปีนี่เราเมื่อก่กอนก็สามสามสามต่อมาก็มาเรียนคดีอ๋อน บ, บีทางงําอย่างงี้รูปไปอย่างงี้แล้วเอากลับมาแล้วก็ใ ส, สซิซูกว่าจะทิ้งได้น่ะแปเดือนนึกจะซ้อหรือไม่ซ้อจะซ้อหรือไม่ซ้อนึกอยูงง่อย่า ง, างนี้แหละทั้งท่านที่อ่านคดีสพบแล้วนะอ่านคดีสตอออิมาบุคฮารีพวกว่าน บ, บีเช็ดศีรษะครั้งเดียวเนี่ย กว่าจะกว่าจะทำครั้งเดียวได้เนี่ยเอเลากลัวกลัวตัวย่อจะเสียใจกลัวแชจะเสียใจพี่น้องที่ถ้าเข้าใจอายานี้ปั๊บนะทิ้งแบบง่ายๆเลยอันนี้ไม่ใช่มาจากรอซูลมาจากคนอื่นฉันไม่เอาเข้าใจนะฉะนั้นปู่ย่าตายายเนี่ยทําตามไม่ได้เลยเอาถ้าหาจะทาําตามปู่ย่าตาไยนี่กุนอ่านอาธิบายเลยนะ ปุยาตายาที่นี่หมายถึงนบีอะไรนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเท่านั้นนี่แหละเป็นปุยาตายาเราอาจดาดูนาอาบาุนาวาอาจดาดูนาบานรรพบุรุษของเรามีอยู่คนเดียวที่อัลลอฮ์กล่าวในการพิจรอ่านก็คือนึกถึงนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเท่านั้น นอกนั้นไม่ให้นึกถึงปู่ย่าตายายนะครับเอาต่อมากับพอท่านนาบีอิบราฮีมกล่าวว่าบรรพบุรุษของท่านและตัวท่านที่ทำมาทั้งหมดนั้นฟรีบอลาลิมมูบีนอยู่ในทางหลงทั้งหมดทีนี้สิ่งที่นบีอิบราฮีมสอนนะมีอะไรพี่น้องนึก ตอนท่านพี่น้องนอนอยู่ในกูโบเนี่ยมยาลาอิก้ามาถามท่านกี่รายการสามใช่ไหมมาร บ, บูกะมันนาบียูกะมันอิมามบูกะสามรายการนาบีทั้งหมดที่ผ่านมาในโลกเนี่ยมาสอนสามรายการนี้ทั้งนั้นมาสอนสามรายการนี้นบีมุฮัมมัดสอนเรื่องอัลลอฮ์สอนเรื่อง AH, อิสลาม เรื่องเรื่อคัมภีร์กุรานสอนเรื่องอะไรนะเรื่องนบีมุฮัมมัดเองว่าซุนนะนบีนบีอิบรอฮีมก็สอนเรื่องอะไรนะเรื่องคัมภีร์เรื่องเรื่องอัลลอฮ์เรื่องคัมภีร์เรื่องนบีอิบรอฮีมนบีมูซาก็เหมือนกันสอนเรื่องอะไรคัมภีร์เตารอสอนเรื่องนบีมูซาแล้วก็สอนเรื่องอัคลาของนบีมูซาที่มนุษย์จะต้องนําไปปฏิบัติยุคนี้ก็เหมือนกันสอนเรื่องกุรานสอนเรื่องซุนนะนบี แล้วก็สอนเรื่องอัลลอ์สุบฮานุลละสอนเหมือนกันหมดเลยอมาดูกุรานพวกนี้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินกาลูอาจิตนาบิลฮักตีพวกเขาย้อนย้อนกล่าวว่าอาจิตนาท่านได้นำเอาเอะไรนะบิลฮักตีเอาความจริงมาเสนอ อัมอันตามีนลาไอบินหรือท่านเพียงเป็นผู้หนึ่งลอเลียนลาไอแปลว่าลอเลียนอัลฮักกูแปลว่าความจริงลาไอแปลว่าเล่นๆหรือลอเลียนคือพี่น้องของนบีอิบรอฮิมเนี่ยเมื่อฟังนบีอิบรอฮีมสอนว่าต้องยึดอัลลอฮ์องเดียวใช่ไหมเขาไม่เคยได้ยินคําว่าอัลลอฮ์ ไม่เคยได้ยินคําว่าอิสลามไม่เคยได้ยินคําว่าอะไรเนี่ยผู้สร้างชันฟาแผดดิ้ไม่เคยได้ยินเลยทั้งชีวิตเนี่ยเคยจะบูชาเนี่ยบูชาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กันมาตลอดเนี่ยพออับบีอิบราฮิมาอธิบายเรื่องเรื่องอ AH ัลลอฮ์ปาปเนี่ยผู้นี่มันงงอะ่ะเลยถามบอกว่าอアิตนาบิลฮักติท่านเนี่ยเอาของจริงๆมาสอน หรือเอาของเล่นเล่นมาสอนงงงงถามในเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นจะคุณมาสอนเนี่ยจริงหรือเล่นอ่านกี่นองเรามาวิเคราะ์ะเพาะ อ, อ, อ, อัลฮักกูอย่างเดียวนะอัลฮักกูแปลว่าความจริงแล้วก็ของที่ไม่จริงเขาเรียกวันลาอิเรื่องเล่นเล่นอยู่ไปชั่วคาวันวันหนึงจนน่าเองเขาเรียกวันลาอิฟนะ ในคัมภีร์คุรานพูดถึงเรื่องอัลฮัตเรื่องความจริงอย่างเดียวพี่น้องกี่ครั้งรู้ไหมส้อยห้าสบครั้งเอาเราผมนั่งเช็คคําว่าอัลฮัตกูอย่างเดียวนะแปลว่าความจริงความจริงความจริงเนี่ยในคัมภีร์คุรานพูดกี่ครั้ง250ครั้งแล้วก็พูดถึงเรื่อง live, live ไลาไล่แปลว่าเรื่องลเล่นเรื่องเพลิดเพิ น, เ, พนเรื่องสนุกสนาน พูดสามครั้งในการพิอัลกุรอานแสดงว่า เ, าเรื่องเล่นๆ เ, เนี่ยในในอิสลามเนีน่ยไม่มีมีแค่สามรายการเท่านั้นเองที่อัลลอฮ์กล่าวนอกนั้นเป็นเรื่องจริงหมดเลยฉะนั้นโลกดวงยาใบนี้มีเรื่องเล่นๆที่อัลลอฮ์ไม่พอใจมีสามสี่รายการเท่า น, นั้นแหละนอกนั้นเป็นเรื่องจริงหมดเลยฉะนั้นคําสอนของอิสลามนี่สอนแต่เรื่องจริงอย่างเดียวเรื่องเล่นๆไม่มีพี่น้องตามพระใจนะ ในอิสลามไม่ไม่มีสอนอะไรเรื่องเล่นๆสอนจะเรื่องจริงจริงจริงจริงหมดเลยนะครับเอามาดูมาดูคำอธิบายนะกอรูอจิตนาพวกขาย้อนกล่าวว่าท่านได้นำเอาความจริงมาสอนแก่เรากันนั่นหรือเอาความจริงมาเสนอแก่เรากันนั่นหรือ อัมอันตามีนาลาอิบีหรือท่านเพียงเป็นผู้หนึ่งแห่งการพูดเล่นเล่นหรือเยอะเยยหรือเปล่าเป็นคำถามพี่น้องครับสามเรื่องที่มาลาอิก้์มาถามเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นจริงหรือเล่นจริงหมดเลยถามอะไรครับมารอ บ, บุกะนี่เป็นเรื่องจริงครับคำตอบว่าไงครับ อัลลอฮฺอูบีท่านอัลลอฮฺมีจริงหรือมีเล่นมีจริงจรเรื่องที่สองครับมัณฑนาบียุกะใครเป็นนบีของท่านถามว่านาบีนี่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นไม่เช่เรื่องเล่นครับเรื่องจริงจริงนบีมีทั้งหมดกี่คนครับยี่สิบห้าท่านที่มีชื่ออยู่ในคัมภีร์กุรอานที่ไม่มีชื่อเท่าไหร่เป็นแสนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็ กุรานเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นเรื่องจริงทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นเรื่องเล่นเลยนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านถามว่าที่ท่านนำเอามาเนี่ยเอาเป็นของจริงหรือของเล่นคำตอบก็คือเป็นของจริงทั้งหมดที่นำมานะครับอทีนี้พี่น้องในคัมภีร์กุรานสอนอย่างนี้นะกุราน อัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดสามรายการนี้เป็นเรื่องจริงในการพิริกราตอธิบายอย่างนี้นะใครที่เข้าใจเรื่อง Allah, อ, อ, อัลลอฮ์ใครที่มีโอกาสได้อ่านอัลกุรอานใครที่มีโอกาสได้นําเอาสุนนะของท่านนบีสามรายการนี้มาใช้ในชีวิตประจําวันให้ทําไงครับกุรอานสั่งนะอัลลอฮ์สั่งฟัลย์ฟรอฮูให้แสดงความดีใจ ให้แสดงความดีใจที่วันนี้ฉันอ่านคุณอ่านออกแล้วก็รู้ความหมายประมาณต้องดีใจอลัลลอฮฺสั่งนะครับพี่คุณอ่านนะฟัลย์ฟราหูจงแสดงความดีใจแต่อ่านกุณอ่านออกแล้ววันนี้อราทำโยรีแ ล, ล้วพ่อแม่ดีใจนะถ้าหลานอ่านกุณอ่านออกเนี่ยดีใจที่สุดนะบางคนถึงกับทาบุญนะนะอ๋อต้มถูกเขียวเลยเลี้ยงหละ ตอนรับหลานพออ่านอัานอ่นอ่านอ่านอ่านอ่านุรานออกถ้าอ่านคุรานออกเพราะยังไม่พอต้องทําไงครับต้องอ่านกุรานแล้วรู้ความหมายอย่างเราเนี่ยวันนี้ที่ทางมาอยู่นี่เราต้องดีใจอะไรห้มอยู่เลยล่ถ้าจะเลี้ยงขนียมมะม่วงได้ไหมได้ทานไปเลี้ยงก็ได้เลี้ยงก็ได้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ซูน่านะพีถ้าอ่านกุรานออกเราต้องเลี้ยงขนยมมะม่วงเนี่ยไม่ใช่นึกวันจะเราแสดงขอบคุณอัลลอฮ์นะ ข้อที่สองเมื่อก่อนนี้อาบน้าน้ามาดไม่ได้ตามสุนนะวันนี้อาบ ม, มายืนน้ามาดตามสุนนะน้าบีเข้ามัสยิดตามสุนนะน้าบีเข้าห้องน้ำตามสุนนะน้าบีร่วมหลับนอนกับภรรยาได้อ่านดวงอาตามสุนนะน้าบีต้องแสดงความดีใจมีตัวย่อโย่คนนั่งอยู่ตรงหน้าผมเมื่อสิบสิบปีที่แล้วผมสอนเรื่องนี้แล้วเขาก็ยกมือฉันมีลูกเจ็ดคน ไม่เคยอ่านดูอาเลยแต่ลูกของท่านดีหมดพอครัวนี้ดีหมดเลยนะผมเห็นดีมากเลยครับนแลละนั่นพ่อเล่าเองนะฉันไม่เคยอ่านดูอาที่สอนอ่านแค่บิสมิลลาห์อย่างเดียวบิสมิลลาห์นะใช้ได้แล้วถ้าอ่านดูอากวาร่วมแล้วนอนดูอาดีใช่ไหมนึกบานึกได้บ่ะดวอาบนไหอัลลอฮุมะจันนีบ um ินัสไซต์ตอนวะจันนีบิชไซต์อนมารอจาอตานา บางคนลืมไม่ได้ใช่นานอัลลอฮุมะจันนิสทิบนะไซต้อนวะจันนิบิชซต้อนมาเราสักตอนาอย่างนี้เป็นต้นจะนั้นต้องเอาสุานนะนบีมาใช้คนที่นำเอาสุานนะนบีมาใช้คนที่อา่นานคูณอ่านเข้าใจความหมายแล้วคนที่รู้จักสิฟัตอัลลอฮ์99พระนามต้องแสดงความดีใจแต่บางคนนะ่ะเป็นมุสลิมไม่เคยดีใจเลย อ่านุรอานออกรู้ความหมายก็ไม่เคยแสดงความดีใจเอาซุนา่นานบีมาใช้เมื่อก่อนเนี่ยในบ้านไม่มีซุน่า์เลยนะไม่แสดงความดีใจไปดีใจตอนได้รับตำแหน่งอบอตโอ้พอได้อบอตมาพับเอาหลอฉ ล, ลองเลยห้ามอยู่เลยผิดเงื่อนไขกุณอ่านนะพี่น้องได้เงินมาได้ชื่อเสียงมา ได้ตำแหน่งมาได้เกียรติยศมาซีรายการนี่เป็นปัจจัยดุนยาฉะนั้นอย่าแสดงอะไรเยอะต้องแสดงเมื่อมีอิสลามไม่มีกุรอานเมื่อมีสุนนะนบีฟันยักระหูให้แสดงความดีใจไม่ใช่ได้เงินได้ชื่อเสียงได้ตำแหน่งได้นู่นได้นี้เพิ่งจะแสดงความดีใจขอบคุณอัลลอฮฺอย่าเอาอย่างนั้นต้องแสดงความดีใจเมื่อ เข้าใจสุนทนาบีรู้จักสิทธิ์อัลลอฮ์อย่างดีแล้วก็อ่านกุรานต้องแสดงความดีใจแต่นี้แต่หากไปดีใจใ น, ในวัตถุนะทำตัวเหมือนใครก็รูนหรือฟาโรแล้วก็ดีไหมละ่ะเดินตามฟาโรนะดีไห <c oughs> เดินตามฟาโรมันสามารถตรงไหนต้องเดินตามนาบีถึงจะสามารถมุสลิมนะคนฝังคนู น, เ, นเขาเดินตามตามฟาโร ม, มดเลย คนฝั่งกันนูนเดินตามกอรูนหมดเลยเน่ยกอรูนขีม่ม้าขี่ลายก็ดีหมดแต่งตัวชั้นหนึ่งเลยคนเห็นโอ้อยากจะเป็นอย่างกับกอรูนอ่ะแต่ ก, กอรูนอัลลอฮ์ถูกสูบลงไปในแผ่นดินเอาอ้าฉะนั้นอย่าไปเดินตามคนฝั่งกันนูนเดินตามคนฝั่งกนนี้เดินตามอัลลอฮ์และรอซูลเดินตามอัลกุรอานและแสดงความดีใจนี่เป็นเรื่องจริงพี่น้องหลาย เ อ, อาดูคุณมาอ่านต่อนะครับกอลูอาจิตานาบิลฮักตีพวกเขาถามย้อนนบีอิบรอฮีมว่าที่คุณนําเอามาสอนเนี่ยเป็นเรื่องจริงอัมบินัลายบีนหรือเรื่องเล่นๆพี่ท้องครับของที่ท่านนาบีนําเอามาสอนเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดทุกนบีที่นําเอามาสอนเรื่องจริงหมดเลยไม่มีเรื่องเท็จเรื่องเล่นๆไม่มีในศาสนาอิสลามพี่ท้องจําได้ไหม เมื่อวานวันซืนที่อาทิตย์ที่แล้วราอ่านว่าไงน่ะนบีอิบราฮีมบอว่าคุณพ่อไปกราบทำไมละรูปรูปจเจวิตไซดีนาอาลีน่ะอัาอาญานีไปอธิบายเรื่องเล่นมารุปใช่หรือไม่ใช่ไซดีานาอาลีเดินตามหมู่บ้านไปเจอาตาจีน้องนั่งโขกมารุป ก, กันเปรี้ยงเปรี้ยงท่านก็อ่านบอกว่าอัอเนี่พวกคุณนี่ไปกราบรูปเวต ท, ทาไม เขาอธิบายว่าเหมือนกับคนที่ทําบาปใหญ่เหมือนกันกาบรุ่งเจเวตก็นั่งเล่นมักรุกโทษเท่ากันใครอธิบายลูกศิษย์นบีเป็นสหายนบีเห็นญาติพี่น้องนั่งโขบมักรุกอยู่ <c oughs> อล๋ลเขามองว่านี่แหละเป็นการทําบาปใหญ่ชนิดหนึ่งเห็นยังครับฉะนั้นในศาสนาอิสลามไม่มีเรื่องเล่นๆไม่มีเลยเอามาดูเรื่องเรื่องเล่นมีอะไรบ้างลายบีนวักคำคำสุดท้า ย, ยนะ อ m a อันต i n a น a ล b ไอบีหรือว่าท่านเนี่ยพูดเล่นๆหรือว่าล้อเล่นมีอะไรบ้างกุรอานอธิบายอย่างนี้เรื่องเล่นๆในอิสลามไม่มีข้อที่หนึ่งชีวิตแห่งโลกนี้เป็นเพียงเล่นๆนี่ชีวิตดุนยานี่นะเรื่องเล่นหมดเลยอะเรื่องเล่นๆล้ออัลกรอบันเทิงเรื่องเล่น ดูละครเรื่องเล่นเล่นขี่ม้าแข่งการเรื่องเล่นฟุตบอลเรื่องเล่นแต่ก็เรื่องเล่นมักฮอตเรื่องเล่นฉะนั้นไอลาเอฟในเรื่องเล่นเล่นเนี่ยอย่าเอามาใช้ในชีวิตประจําวันนอนดูละครเรื่องอะไรเรื่องเล่นดั้นเรื่องเล่นในอิสลามไม่มีเพราะนั้นต้องระวังนะพวกเรานี่ไปเพลิดเพลินกับเรื่องเล่นเล่นไม่ได้เพลิดเพลินกับเรื่องจริงๆนั่งดูละคร อ่าต่อมาครับกุรานสั่งนะอย่าคบผู้ที่อาศาสนาเป็นการเยอะเย้ยและเล่นเล่นพี่น้องอย่าไปคบกับคนที่อาศาสนาเป็นเรื่องเล่นเล่นอย่าไปคบกับมันเอาเรื่ศาสนาเป็นเรื่องเล่นเล่นรออัอขระข้อที่สาพอได้ยินเสียงอาจารย์พวกเขาก็หัวเราะเยาะเสียงอาจารย์นี่เล่นไหมเล่นนี่ดีควาเข้มเดียวก็มีมาแล้ว เสียงอาจารย์ที่มัสยิดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเสียงหมาหอนคนที่พูดเนี่ยต้องลาน่ะเพราะเป็นครู <c oughs> เป็นครูเสร็จแล้วเด็กนักเรียนมุสลิมไม่ ย, ยมอมอ่ะพราครูพูดในชาติมีเด็กมุสลิมนั่งกันหลายคนเนี่ยกลับมาบอกญาติพีนพ่น้องญาติพี่น้องก็เดินไปที่โรงเรียนนายครูคนไหนที่พูดว่าเสียง <c oughs> เสียงอาจารย์เป็นเสียงหมาหอนออกมาไหนขอพบหน้าเนาะลาออกเลยฉันไปแล้วไปอยู่แล้ว แคนั้นเรื่องไม่อิสลามเรื่องเล่นๆไม่มีแค่นั้นใครไปดูถูกอิสลามนะระวังถ้ามนุษย์ไม่เล่นงานอัลลอฮ์ก็เล่นงานกาบาจําได้ไหมอบูอะไรกษัตริย์เมืองเมืองอะไรนะกษัตริย์เมืองเยเมนต้องการที่จะมาเล่นงานกาะบาะนึกว่ากาบาอัลลอฮ์ให้มาเล่นเล่นเอากองทัพช้างมาใช่ไหม จะมาทำลากาบานึกว่าอัลลอฮ์ให้มาเล่นเล่นอกษัตรย์เลยนะอับรอฮ า, าแ้วเป็นไงครับเอาขนกองทัพมาขนทหารมาเสร็จแล้วรอดหรือไม่รอดไม่รอดครับฟะอัสลาอลัยฮิมตอยรอนอบบาบีดอัลลอฮ์ส่งนกมาคาบเอาอะไรนะเอาหินจากนรกมาเนี่ยมาโปรยตายเรียบหมดเลยมองว่ากาบาเป็นเรื่องเล่นเล่น พี่น้องครับไม่มีกุรอานเรื่องเล่นๆไม่มีสุนนะนบีไม่ใช่เรื่องเล่นมันเรื่องจริงทั้งหมดครับฉะนั้นอย่ามองอิสลามเป็นเรื่องเล่นๆอย่ามองสุนนะนบีเป็นเรื่องเล่นๆพี่น้องงขอเล่าอีกนิดหนึ่งวันที่นบีบนบีมุฮัมมัดขึ้นเมอรอสนะครับอัลลอฮ์ให้ยิบรีนพาในาบีทัวบนช้อนฟ้าหมดเลยนะนะเสร็จแล้วก็เข้าไปในสวนสวรรค์ พอเข้าไปในสวนสวรรค์ปั๊บเนี่ยเห็นไซด์นาะบิลนันเดินอยู่ข้างหน้าท่านอธิพอเดินปั๊บเนี่ยท่านเห็นอ้าวไซนาบิลนันจํารองเท้าได้พอลงมาจากข้างบนมาพบไซน์นาบิลานเรียกมา น, นี่สิฉันเห็นคุณเดินอยู่ข้างหน้าฉันในสวนสวรรค์นะ่ะคุณทําอะไรที่อรรถพอใจท่านตอบท่านทำสองสองอย่างหนึ่ง ฉันรักษาน้ําน้ำมาของฉันเป็นประจำถ้าหากน้ําน้ามาของฉันหมดฉันจะอาบน้ำน้ำมาคือแปลงฟันแล้วอาบน้ําน้ำมาเมื่ออาบน้ำน้ามาสบแล้วฉันก็จะน้ำมาสุนัตสองระกาอัดฉันทําแบบนี้ประจําเลยสองรายการซึ่งพวกเรานี่มองว่าเรื่องเล่นๆแค่น้ําน้ามาจะมีอะไรใช่ไหมไม่ใช่รักษาน้ําน้ำมา เป็นประจำไม่ให้ตัวเราเนี่ยอยู่แบบไม่มีน้ํานามาศเข้าสวรรค์ก่อนท่านนาบีเห็นยังครับแล้วก็รักษานามาสุนัตเราเนื้ว่าสุนัตไม่มีอะไรเอาฟอรดดูอย่างเดียวพี่น้องครับจากนั้นรักษาสุนัตนามาสุนัตนะแล้วก็รักษาน้านาานํานา ม, มาศพี่น้องคนที่รวยที่สุดในโลกนี้มีใครอาตราว่าไมไมโครซอฟต์โอ้รวยมากเลย บริจาคที่นั่งห้าหพล้านดอลลาเนี่ยพี่น้องไม่ใช่คนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนี้ตามที่ท่านนาบีสอนก็คือคนที่ได้มีโอกาสนำมาสุนัดก่อนนำมาสูบโบสองรอกอะดัเขาเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกใบนี้เขามีทรัพย์สินมากกว่าเงินทองที่อยู่บนโลกดุนยานี้ทั้งหมดเห็นไหม คิดมไม่เป็น้องไม่มีอะไรเล่นบุญโลกดุนยาไปนี้ที่อิสลามสอนนี่เรื่องจริงทั้งหมดไม่มีเรื่องลาไอบีนไม่มีมีแต่ฮักกุลฮักกุลฮักกุลตลอดไปน้องสบายใจไหมเพื่น้องเนี่ไฟันยัฟราหูให้เราดีใจที่เราได้มีอิสลามเป็นเครื่องกํากับชีวิตของเรานะครับต่อมาครับอายาที่เท่าไหร่นะอายาที่ห้าสิบหกกล่า ب َ ل ر ب ّ ك ُ م رب َّ السماوات َِّ والأرض الذي فطره ََُ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ ب َ ر َ ب ُّ ك ُ م ْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وعلى وأنا على ذلك من الشاهدين อัล hamdulillah อายะนี้นบีอิบราฮีมอธิบายให้พี่น้องฟังอัลลอฮ์พอใจเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังมีความรู้ครับตรงนี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้นะอายะนี้ดูําแปลก่อนเขานบีอิบราฮีมกล่าวว่าไม่ใช่เช่นนั้น บัลแต่ว่าไม่ใช่เช่นนั้นที่คุณถามว่าพูดจริงหรือพูดเล่นเรื่องเล่นไม่มีบัลเรื่องเล่นไม่มีในอิสลามไม่มีเรื่องเล่นรบบุกกมพระผู้อภิบาลของท่านอีต้องการจะอธิบายว่าพระเจ้าในศาสนาอิสลามกับพระเจ้าในศาสนาอื่นๆ น, นั่นนิยามไม่เหมือนกันพระเจ้าในศาสนาอิสลามอธิบายยังไงครับ รอบบูกุมประผู้อภิบาลของคุณ <c oughs> นี่พวกของของของคุณพ่อและของญาติน้องเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเป็นรอบบุญเป็นพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินพระเจ้าในอิสลามเนี่ยสามารถสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินถ้าไม่ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินไม่ใช่พระเจ้าในอิสลามนี่งข้อแตกต่างระวังพระเจ้า หรือว่าพระผู้อภิบาลคําว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะอัลลอฮ์ในอิสลามเนี่ยทำอะไรครับฟาตรอฮุนน่ะเนรมิตรพระเจ้าในอิสลามนั้นมีความสามารถทําอะไรครับฟาตรอฮุนนะแปลว่าเนรมิดเนรมิตรอะไรครับอัสมาวะชันอะไรชันฟาวันอารดีเนรมิตรแผ่นดิน นี่พระเจ้าในอิสลามมีความสามารถขนาดนี้ถ้าหากใครไม่มีความสามารถเหมือนพระเจ้าอิสลามไม่มีใครยอมรับมันอิสลามไม่ยอมรับว่านี่เป็นนี่เป็นพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าที่คุณพ่ออิบราฮิมชื่ออาซัดกราบนั่นนั่นไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้ามันต้องมีความสามารถสร้างอะไรนะสร้างชานฟาและแผ่นดินควจริงมันสร้างมาหกดเจรายการเอาอย่างนี้ สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คนและสัตว์ปสิงทั้งหลายแปรายการนี่พระเจ้าหนึ่งสร้างชั้นฟ้าสองสร้างแผ่นดินสสร้างกลางวันสี่สร้างกลางคืนหสร้างดวงอาทิตยหกสร้างดวงจันเจ็ดสร้างมนุษย์8ดสร้างสัตว์ปสิงทั้งหลายนอกจากมนุษย์ตระมงตนไม้เนี่ยต้องมีแปรายการถึงจะเรียกว่าอัลลอฮ ถึงจะเรียกว่าพระเจ้าถ้าไม่มีความสามารถสร้างนะนั่นไม่ใช่พระเจ้าเป็นเทพช่วยอะไรไม่ได้เทพช่วยได้ไหมมล า, ายกาช่วยได้ไหมไม่ได้นบีอิบราฮิมไม่เอามล า, ายกาอนะคิดดูตอนไหนตอนที่ท่านถูกจับโยนลงไปในไฟอลัลลอฮ์ให้มล า, ายกามาจิบรียนมามาถามว่าอิบราฮีมให้ฉันช่วยอะไรไหม ไม่ได้บอกถ้าชั้นชันไม่เอายิบรีนมาอีกซูปเปอร์มาลาอิก้าช่วยเปล่าไม่เอาเอาใครอัลลอฮฺเห็นไหมเนเนทีอิบรอเฮมขนาดมาลาอิก้ามายังไม่เอาเลยไอเราได้เห็นผีเอาแล้วเห็นฝันๆ น, นะเอาแล้วอัลลอฮฺอักบะดเห็นที่นอนยัดิญาติมานึกว่าวิญญาณย่อมมาคิดดูสิพวกเรานะอะกีด้าแบบไหนก็นไม่รู้อย่างย่อตาย ใช่ไหมล่ะเอามีเตียงเอาไว้อันนึ่ะนี่ใครยัมายุ่งนะเอาผ้าขาวปูดึงให้ตึงเป๊ะเลยจะดูถ้าเท่าวิญญาณย่อมาเนี่ยก็จะมานอนบนเตียงนี้บังเอิญแมวมันขึ้นไปนอนพอตื่นชาขึ้นมาย่อมาแล้วเมื่อคืนนี้เพออราะว่าผ้ามันยับขี้น้าได้แมวมันทํายับนี่อกีด้าเราผิดหมดเลยนี่นี่ไงนี่ฉะนั้นพวกเรามองาศาสนาเป็นเรื่องเล่นๆไม่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้น คำว่ารบในอิสลามนั้นต้องเนรมิตช <c oughs> ั้นฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สร้างคนสร้างสรรพสินทั้งหลายถึงจะเป็นอัลลอฮ์ได้ถ้าอย่างนั้นเป็นพระเจ้าไม่ได้ในพีอิบรอฮิมอธิบายให้ญาติพี่น้องเขาฟังคิดดูสิและอัลลอฮ์พอใจคําพูดนี้เล่าผ่านนาบีนบีก็เอามาให้พวกเราอ่านวันนี้อัลฮัมดุลิลละข้อที่สอง ว่า أنا على ذلك ุ م من الشاهدين. น บ, บีอิบราฮีมประกาศเลยนะว่า أنا ฉันนี่นะ على ذلك ุม ال من الشاهدين ฉันอยู่ในหมู่ผู้เป็นพยานชาฮิดฉันนี่เป็นพยานพยานเรื่องอะไรครับว่าอัลลอฮ์นี่มีองค์เดียวอัลลอฮ์เป็นผู้เนรมิตฉันฟ้าแผ่นดิน กลางวันกลางคืนดวงอาทิตย์ดวงจันท์สร้างคนสร้างสรงรพสิ่งทั้งหลายฉันยืนยันท่านบียืนยันในพลอยอย่างพอแล้วทามุลิลาท่านยืนประกาศเลยว่าอานะมินชชาชฮิดีนฉันยืนยันเป็นพยานว่าอัลลอฮ์มีจริงอัลลอฮ์สร้างชันฟ้าจริงสร้างดวงอาทิตย์จริงกลางวันจริงกลางคืนมีจริงมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดดวงอาทิตย์เป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างดวงจันทร์เป็นของอัลลอฮ์ อัลลอฮ์สร้างมนุษย์สร้างสรงรพสิ่งทั้งหลายเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับเอาวันนี้ใครขึ้นมาค้านมีไหมไม่มีครับนอกจากเงียบเงียบเงียบทังนั้นเองนะครับนี่อัลฮัมดุลิลเลาห์นองทั้งหลายอาทีนี้คำอธิบายครับนบีอิบราฮีมเนี่ยพูดด้วยความมั่นใจนะเห็นไหมเนี่ยพูดด้วยความมั่นใจว่าอานะ อัลลอลิกุมมินช่าฮิดีนฉันนี่นะมั่นใจนะเป็นพยาน ย, ยืนยันว่าอัลลอฮฺมีจริงอัลลอฮฺทรงเห็นอัลลอฮฺทรงได้ยินอัลลอฮฺสร้างทุสินทุอยา่างบนโลกใบนี้นบีอิบราฮิมยืนยันครับพี่น้องถาว่าเรายืนยันไหมเราก็ยืนยันนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮัมดุลิลลาขอบคุณอัลลอฮ์นะครับนะครับเราเรียนเรื่องนั้นนะ เรื่องสิ์ฟัของอัลลอ์เรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์ุบฮานาูาาาต่อมาครับอายาที่ห7เจมาพูดเรื่องสาบานอ่าเรื่องเรื่องสาบานว่าตอลลฮิละกีดันอัลนามะคุมบัดาอันตุวลลูมุดบิรีน ว่าั้งหลีลาอัดันอาสนะมะคุมบัด์อันตุวัลลูมุดบิรินอัลลอฮฺอักบัดอายะนีพูดสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องสาบานเรื่องที่สองเรื่องจเวิเรื่องที่สามหันหลัง ออกไปร่วมประชุมในวันวันสคัญของพี่น้องของนบีอิบรอฮีมสามเรื่องวะตะอ้ออฉันขอสาบานต่อใครนะต่อพระนามของอัลลอฮ์ทำไมอ่ะเวลาสาบานเนี่ยต้องสาบานต่ออัลลอฮ์องเดียวทำไมไม่พูดเรื่องอื่นเพราะพูดเรื่องอื่นไม่ได้จะสาบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้ ทานายเมืองไทยสาบานผิดทานายมุสลิมด้วยฉันสาบานต่อเกียรติของทานาย <c oughs> เคยได้ยินเป่าผมเคยได้ยินครับแต่ยินใช่ไหมด้วยเกียรติของทานายฉันขอสาบานได้ไหมไม่ได้เวลาไปขึ้นขึ้นศาลเนี่ยเขาเอาคุรานมาแล้วเอามือวางฉันขอสาบานต่ออัลกุราน ไม่มีใครห้ามเลยทุกวันนี้ยังจะทำอยู่บนศาลได้ไั้มไม่ได้สาบานมีอยู่อย่างเดียวต้องสาบานกับอัลลอ์เท่านั้นสาบานด้วยมักลูกที่อัลลอ์สร้างมาทั้งหมดไม่ได้เลยอัลลอ์ไม่พอใจนี่นาบีอิบราฮีมสอนตัลลอ์ฉันขอสาบานต่ออัลลอ์ องไหนองที่สร้างชั้นป่าแผ่นดินกลางวันกลางคืนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คนศาสนาพืชทั้งหลายฉันขอสาบานแต่องค์นั้นไอ้องอื่นๆฉันไม่เคยสาบานนี่นบีอิบราฮิมสอนสอนเรื่องการสาบาน ล, ลอากีดันนะ้นนานบีอิบรอฮิมสาบานว่าไงนะฉันจะอากีดแปลว่าวางแผนทําลายอัสนามากุมรูปเจวเวตของท่าน ฉันนี่นะสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าฉันจะวางแผนทำลายรูปเจเวิในีเรื่องที่สองการทำลายรูปรูปรูปเจเวิตดีหรือไม่ดีดีไหมอ้าวนบีมุฮัมมัดเนสอน น, นบีสอนไงได้ไหมยอย่าให้มีรูปเจเวิอยู่ที่นครมะ ก, กะอยู่ที่กาบะทำสำเร็จไหมสำเร็จครับ กว่าจะทำสาเร็จสอนสอนเรื่องอังกฤษด้กี่ปี13าปีครับแล้วทำสาเร็จไหมเอารูปเจเวตออกจากนครมักกะสาเร็จครับโอ้ฉะนั้นวันนี้ <c oughs> ที่บ้านเราที่บ้านท่านเนี่ยฉันจะไม่เอารูปเจเวตเข้าบ้านทตนี้ไอรูปรูปรูปเจเวตจริงๆเราไม่เอาเข้าแต่รูปเจเวตปลอมมีอีกรูป มเะเราโยเรารูปจุลาราชมนตรีรูปคนนั้นคนนี้รูปตัวเราที่ได้ได้เป็นยามาแตะอยู่ที่ฝาผนังเต็มไปหมด น, ะนั่นรูปจะเวดปลอมซึ่งอุลมะบอกว่าเอาออกวิธีเอาออกมีสองสองอย่างดึงเอาออกถ้ามันแรงก็กระชากมีสองทีสองวิธีเอาออกค่อยๆถ้ามันวางอยู่เฉย ทามันหนักก็กระชากแรงๆมันก็หลดก็โยนทิ้งไปถ้าไม่โยนทิ้งก็เอาใส่อะนาบ้างมาไว้นี่รูปเจวเวดปลอมๆรูปเจวเวดจริงๆเราไม่เอาเข้ารูปเจวเวดปลอมๆเราเอาเข้าวกันไว้ในบ้านของเราแล้วรูปแต่งงานกันมันการทายกันว่านั่นหมดเป็นหมื่นพอหย่ากันร อ, อทำไงจะทิ้งอยู่ที่ตัวจะเก็บก็คิดดูกันแล้วกันนั่นจะรูปเจวเวดปลอมทั้งหมด ว่าทั้งลอขอสะบานต่ออัลลอฮ์และอากีดันนาอัสนามักุมแน่นอนฉันจะวางแผนทำลายรูปเจเวตของท่านทั้งลายทำไมอัลลอฮ์เล่าเรื่องทำลายรูปเจเวตในคัมภีร์กุรอานเพื่ออะไรให้เราคิดอย่ากเก็บรูปเจเวตไว้ในบ้านบางคนเอาไว้ที่คอเลยรูปเจเวตใช่ไหมพี่จเจริม เอาลายตาะายแขวเลยโอ้โหมากังเขนก็มีรูปนุ่นก็มีพระนุ่นพระนี้เต็มไปหมดไม่เอาไว้ในบ้านจะเอาไว้ในคอเลยนี่ถ้าอ่นานคุณอานอิยานี้นะละอากีดันนาอัสนามากุมฉันจะทำลายรูปจเจว ท, ทั้งหมดของสูเจ้าเราก็ต้องเดินตามนบีอิบรอฮิม ท่านี้ทำลายตอนไหนครับบ้าเดะอันตู ต, ตูอันลูมูดบีรหลังจากที่พวกท่านหันกลับออกไปจากจากอะไรไอ้บ้านหรือว่าไอ้ที่ที่ที่กราบของท่านอ่ะออกจากไปที่กราบแล้วไปร่วมงานเนี่ยหลังออกจากวิหารอ่าออกจากวิหารไปแล้วก็ไปร่วมงานฉลองน อ, นอกนอกที่ที่ชนบท نبي อิบราฮิมจะทำลายหลังจากประชาชนออกไปแล้วทำลายต่อหน้าได้ไหมถ้าได้นะั่นอัลลอฮ์คงเล่าทีนี้ไม่เล่าเนี่ยแสดงว่ตง า, าต้องทำดาราต่นไหนรับทังอลัลลอฮ์เห็นไหมนี่อิสลามจะสอนดีไหมดีครับสอนสามเรื่องหนึ่งสาบานสองฉันจะทำลายรูปรูปเจเวตสามต่อไหนตอนที่ประชาชนไม่อยู่ต่อนหน้าไปอยู่รับหลังพวกเขา ได้สามเรื่องไปนองอ้าวถามว่าสาบานของนบีอิบราฮีมภาษาอุรดูอธิบายว่าพูดสาบานเสียงดังหรือเสียงค่อยในภาษาอุดูอธิบายอย่างนี้ครับบาสเนกะฮ์อาเฮสตาอาเฮสตาเซกะฮพูดเบาๆพูดค่อยๆนึกในใจนึกในใจฉันจะขอสาบานต่ออัลลอ์ฉันจะทำลายรูปเจเวท นี่นึกในใจแต่คนได้ยินนีคุณอานอธิบายนะนึกในใจสาบานในใจหรือพูดค่อยๆเนี่ยคนข้างๆได้ยินแต่นี่ไอคนที่ได้ยินเนี่ยมันคนส่วนน้อยแค่สองคนสามคนได้ยินไอสองสามคนที่ได้ยินว่าอย่างนี้ไอเด็กหนุ่มคนนี้มันมีพลังอยู่คนเดียวไอเรามันกลุ่มใหญ่ยังไงยังไงมันก็ชนะเราไม่ได้ ดูถูกดูถูกอิบราฮีมคนเดียวคนเดียวเรากลุ่มใหญ่เนี่ยเอาคนเดียวมาทำลายกลุ่มใหญ่ได้ไหมไม่ได้นี่เป็นความเชื่อกัสนนะสมัยนู้นแล้วน่ะสมัยในบีอิบรอฮีมแล้วประชาชนวันนี้ก็เหมือนกันเราเองมองว่าถ้าคนกลุ่มใหญ่ทำใครจะมาทำลายคนกลุ่มใหญ่ได้ไหมไม่ได้นี่เป็นความเชื่อนะแต่จริงๆทำลายได้ไหมได้ คนเดียวนี่แหละสามารถทําลายอัคีดาที่ผิดผิดได้อเอา้นานบีอิบราฮิ ม, มากี่คนคนเดียวใช่หรือไม่ใช่ทําลายจบไหมสําเร็จครับนบีมุฮัมมัดทาลายรูปเจเบตในนครมะ ก, กามีกี่คนซ า, าบานนบีเม่ทำลายเลยคนในซาอุดีนเนี่ยเป็นคนมุชลิกทั้งหมดแต่ทําลายจบไหมสำเร็จคนกลุ่มน้อยอย่าดูอย่าพี่น้องอย่าดูถูกนะว่าคนกลุ่มน้อยจะเอาชนะคนกลุ่มใหญ่ไม่ได้ไม่ใช่ ไม่ใช่แคนั้นถ้าพ่อยืนหยัดอยู่ในบ้านหลังเดียวนะลูกกี่คนก็ตามทุกคนต้องตามพ่อหมดนะฉันยืนหยัดต้องทำอย่างนี้ในบ้านต้องมีเสียงกุาณาอานต้องมีเสียงนามาตต้องมีเสียงซิกรุลลอทุกคนต้องทำถ้าพ่อยืนหยัดทุกคนทาตามพ่อหมดเสียงเดียวนัว่นแหละอิชอรอชนะอยู่แล้วนะเอาทีนี้ต้องการจะอธิบายบอว่า เรื่องนี้มีสามเรื่องนะหนึ่งสอนเรื่องสาบานว่าตัองล่อขอสาบานต่ออัลลอฮ์และอาคีดั้ น, นอาสนามักุมฉันจะวางแผนทําลายรูปเจเวิของท่านทั้งหลายตอนไหนครับบาเดอันตูวันลูมุดเดบีหลังจากที่พวกท่านทั้งหลายออกจากวิหารไปแล้ววิหารไปแล้วตกลงว่าทําลายต่อหน้าเนี่ยรำพระไม่ส่งเสริมรับหลังได้ ทำอยู่ริเร่าเป็นความรู้ทั้งหมดพี่น้องอวบอักวัดทีนี้พี่น้องอีกคำหนึ่งนะน บ, บีอิบรอฮิมนึกในใจคนเดียวแต่คนได้ยินนี่ต้องการอลัลลอฮฺจะให้คนได้ยินน่ะสามารถทําได้เลยเห็นไหมนึกในใจพูดพูดคนเดียวเนี่ยฉันจะทําลายสูุปันอานีอ่ะคนได้ยินนี่ยพอทำลายไปแล้วนะ่ะไอ้คนได้ยิน่มาเล่าเออฉันได้ยินเว้ อิบรอฮิมนี่แหละตัวแสบเป็นคนทำลายอ่านต่อไป5้าสิบปครับฟาเจลหุมจูซาซาอิลลากับิรลหุมลาอัลหุมอิไลฮิยะร์จงูนฟาเจลหุมจูซาซา อิลากับีรอละห์ม لعلهم ال إليه ره يرجعون อัลลอฮฺอักบัตนี่พูดเรื่องความเชื่อถ้าเชื่อผิดก็คิดผิดแล้วก็ทำผิดอายานีนะ่ะเชื่อผิดคิดผิดทำผิดเรื่องเชื่ออย่างเดียวถ้าเชื่อผิดเนี่ยคิดมันก็ผิดทำก็ผิดหมดเลยแ ล, ล้วรางวัลในชีวิตไม่มีเลยนะ อาต่อมากับฟาจอาลาฮุมยูซาจดังนั้นเมื่อพวกเขาญาติพี่น้องพวกพ่อๆอเนี่ยออกไปแล้วยูซ า, าเขาได้ทำให้มันแตกใครทำไปแตกอิบรอีมได้เข้าไปทำลายรูปเจเวทให้แตกเป็นชิ้นชิ้นเป็นอันอันเล็ก นี่การทำแบบนี้มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์นบีสั่งนะพี่น้องอย่าเอารูปเจเวตไว้ในบ้านเอาออกให้หมดคนที่เอาออกมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เหมือนกันกูโบก็เหมือนกันนบีสั่งนะอย่าฝังกูโบให้สูงเป็นศอกๆย่างมากก็คืบเดียว พี่น้องเห็นอย่างที่นบีสั่งอ่ะพีนั้นทําตามสุงหน้านาบีนี่ก็นบีสั่งอีกอัลลอฮ์สั่งอีกนะนบีอิบรอฮีมให้รูปแบบเอาไว้ส่งนบีอิบรอฮิมมาทํำลายรูปเจเวิตฉะนั้นท่านก็ทําสําเร็จทําลายรูปเจเวิตเป็นเล็กๆๆๆอิลล่ายกเวน้นไม่ทําลายกาบีรอนละหุมตัวใหญ่ของพวกมัน รูปจเวดมีเท่าไรก็ตามมีห้าร้อยก็ห้าร้อยทำลายหมดยกเว้นกะบีรองค์ใหญ่อากะบีรแปล ว, ว่าใหญ่ยกเว้นองค์ใหญ่เหลือเอาไว้ไม่ทำลายสายเหตุที่ไม่ทำลายตัวใหญ่เนี่ยนะอรอนเล่าเองละอัลละหุมเพื่อบางทีพวกเขา ยัร์เย์กลับมากลับมาหานาบีอิบรอฮิมอิไลฮิมาถึงนบีอิบรอฮมพวกเขากลับมาจะต้องมาถามเมื่อถูกถามนาบีอิบรอฮิมกล้ามากเลยนะกล้าตอบด้วยเห็นอย่างนี้คือความพร้อมความพร้อมของคนที่จะเป็นคนรักษาอิสลามต้องใจถึงต้องมีความรู้พร้อม ถ้าหากว่าญาติพี่น้องคุณพ่อมาญาติพี่น้องมามีอยู่คนเดียววันนั้นทําลายนะ่ะถ้าญาติพี่น้องมาเป็นพันเนี่ยกล้าแสดงหรือเปล่าแต่ตรงนี้อายาอุลแอนเน้นบอกว่านบีอิบรอฮิมกล้าที่จะโต้อตอบกับญาติพี่น้องถ้าเขาเข้ามาสิเข้ามาถามหรือมาจับตัวแล้วก็ให้พูดต่อหน้าชุมชนฉันพูดได้ด้วย นี่มาถึงความไปนะความสามารถของใครของนบีอิบรอฮิมที่อัลลอฮ์กล่าวในอายะห์แรกๆว่าไงนะฉันสร้างอิบรอฮิ ม, มาเนี่ยแล้วก็ให้ความฉลาดรุษดาหุมรุษดาใช่ไหมให้ความฉลาดกับนบีอิบรอฮิมฉะนั้นต้องการจะบอกว่าคนที่คนที่เป็นนบีเนี่ยหนึ่งต้องเป็นคนหนุ่มสองต้องเป็นคนฉลาดแล้วก็พร้อมที่จะโต้อตอบ ้ายาิพี่น้องเดินกันเข้ามานะมาจับอิบรอฮิมอ้าวคุณทำลายทำไมก็จะอธิบายเป็นข้อข้อข้อข้อข้อข้อข้อกล้าไหมกล้าฉลาดไหมฉลาดนี่ไงพี่น้องครับจะนั่นพ่อแม่นะพี่น้องต้องขออุอาให้ลูกหลานฉลาดต้องขออุอาเลยต้องขออุอาตลอดเวลาพอลูกโตนิดนึงนึกถึงมันจะหาผัวที่ไหนจะหาเมียที่ไหนก็นเนี่ย ขอเลยอัลลอฮุมะซาวิจซาวยันซอลิฮันโอ้อัลลอฮ์ให้ลูกสาวได้แต่งงานกับสามีที่มีศาสนาผู้ชายดีถ้าลูกเราเป็นลูกผู้ชายอย่าอัลลอฮ์อัลลอฮุมะซาวิจฮุมซาวตันซอลิฮันโอ้อัลลอฮ์ให้ลูกชายฉันได้แต่งงานกับผู้ให้ผู้หญิงที่มีศาสนาต้องขอเลยพี่น้องฉะนั้น ต้องขอทูอาอัลลอฮ์จะลืมนนะโลกที่อยู่ได้วันนี้เพราะดูอาของนบีอิบราฮิมใช่ใชหรือไม่ใช่ถ้านาบานอิบราฮิมไม่ขอนะพเราไม่มีทางเลยนะนบีอิบรอฮิมขอนบีมูซาขอนบีมุฮัมมัดขอขอดูอ้าให้พวกเราวันนี้ถึงอยู่ได้ถึงวันนี้เพราะดูอาของบรรดานาบีทั้งหมดนะอนทีนี้ฟาจัาลอะฮุมยูซาซานบีอิบรอฮิมนี่นะได้ทําลายเป็นชินช้นชิ้นรูปเจเวต ยกเวน้นอิลลากบีรลละหุมจะเวด ร, ร, รูปรูปองค์องค์ใหญ่ทิ้งเอาไว้ทิ้งทำไมครับละอัลละหุมอิลลยฮิยาดเดยเพื่อบางทีพวกเขาจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาถามมาได้นะมาถามว่าทำลายทำไมและพร้อมที่จะให้คำตอบได้ด้วยเพราะนบีฉลาดฉะนั้น เรามีลูกก็ต้องให้ลูกฉลาดด้วยการขออุดมอาเราพันพ่อขออุดมอาให้ลูกให้ลูกได้มี إ ي م านมีศาสนาเข้าใจกุรานอัลฮัมดวยละและเข้าใจสุนนะของท่านนาบีเข้าใจกุรานนี่ฉลาดหมดเลยนะครับพี่น้องทีนี้นบีอิบราฮิมอธิบายว่าก่อนที่จะเอาเอาอะไรนะเอาขวานเนี่ยไปทําลายรูปจเจวิตถามก่อน นี่อาหารดูว่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยทําไมไม่กินอันที่สองถามว่ า, มาแมลงวันมาเกาะอาหารเนี่ยมันสกรปรกนะทาไมไม่ไล่เนี่ยเอาล้อเล่าหมดเลยนะฉะนั้นคําพูดของนบีอิบราฮิมที่พูดออกไปแต่ละคำเลยเอาล้อพอใจข้างบนพอใจหมดเลยนะเล่นเล่าในกัมพีกุงอาา่านที่นี่นบีบิบลิพูดอย่างนี้นะทําไมไม่ไล่มแมลงวัน นี่ม า, มาสกโปกใช่ไหมคุณคนผู้ดีใช่ไหมการศรึกษาสูงใช่ไหมมาแรงวันก่อ น, นี่มาโยนอาหารทิ้งอ่ะแล้วนี่ปล่อยให้เกาะทาไมใช่ไห ม, ไมตบบาทิ้งถ า, ถามถามถามถามไม่ตอบเลยทํำลายเลยไอการทําลายเนี่ยเอาเราพอใจไหมพอใจแต่นภิบัติธรรมถูกจับไมมถูกจับถูกโยนใสไ่ไฟไหมถูกครับแล้วก็ไหม้ไหมไม่ไหม ก็่างงานการของนบีอิบรอฮิมที่ทำนั้นเป็นที่พึงพอใจของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลานึกถึงท่านท่านท่านท่านท่านอับดุบับเอาอัคลาของนบีมาใช้ยเยอะวันที่นบีเสียชีวิตพอเสียเสร็จแล้วมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งบอกว่าฉันขอนามาดอย่างเดียวฉันจะไม่ขอจายสะกาศเรื่องนี้ไปถึง ท่านไซนาโอมาต์ตื่นขึ้คอลีฟะท่านประกาศเลยนะฉันไม่ยอมไซนาโอมาตห้ามไม่ได้เขาเป็นมุสลิมทําลายก็ไม่ได้บอกฉันไม่ยอมท่านพูดอย่างนี้อายังกุสุดีนวะอนาให้จะให้ศาสนาอิสลามมีอยู่ห้าข้อเนี่ยขาดไปข้อหนึ่งไม่ยอมจ่ยายสการเนี่ยเท่ากับเป็นเอาศาสนาออกไปข้อหนึ่งวะอนาให้ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่ยอม ฉันไม่ยอมสาเร็จไหมสเร็จครับเอา้าจัดกองทัพเลยจะไปเล่นงานฉันยอมแล้วครับฉันยอมแล้วครับนี่งานเจ้น้องเรื่องส่วนตัวใครด่าด่าไปแต่เรื่องศาสนานบีไม่ยอมท่านอบดุบาไม่ยอมใครที่จะปฏิเสธไม่ใจประกาศฉันไม่ยอมถ้าใครจะด่าฉันเชิญเพราะนบีสอนว่าเรื่องเรื่องส่วนตัวเขาด่าให้มด่าไปเถอะมันจะไปแก้แค้น แต่ใครที่ไม่เอาศาสนาไปใช้ในชีวิตสิและประกาศชัดเจนว่าฉันไม่เอาไม่จ่ า, า, ายสกัดท่านไม่ยอมนี่ก็เหมือนกันครับพี่น้องถ้าหาพูดกันดีๆไม่ได้ก็ต้องรับรับทำลายรับรับแล้วเอาละพอใจไหมเอาละพอใจทำลายกันทำลา ย, ลายอากีดาของพ่อตัวเองมันบาปตรงไหนอ่ะใช่ไหมน่ะทาลายอากีดาของพ่อญาติพี่น้องตัวเองอย่าลืมว่าญาติพี่น้องเนี่ยตัวแสบนะญาติพี่น้องเรานี่แหละ ที่คานคานอยู่วันนี้ญาติพี่น้องจูเต๊ะเวพวเนี้สามสี่กลุ่มนี่แหละแต่พวกนี้รวยๆทั้งนั้นอ่ะ <c oughs> จะเอาสุ น, น้าเข้าครองเนี่ยไม่ใช่เขาไม่เข้ากันง่ายๆนะจะเอาสุ น, น้าเข้ามาใช้เนี่ยจะปฏิวัติ <c oughs> เชิญชวนพี่น้องออกไปนามาดอีกกลางแจ้งเนี่ยที่คองเคสน่ะห้าปีผมทําเองน่ะห้าปีกว่าจะได้เป็นล็อบบี้บัานนั่นล็อบบี้บ้านี้ มึงคิดดูแล้วมึงดีแล้วมึงอ่านหนังสือดีถูกมั่นใจรูปป่ะรอเราก็ต้องขยันมาดูบอกมั่นใจแน่นะห้าปีมีคนถามว่าแล้วมึงสร้างสุราทำไมหมดตั้งหลายล้านออกไปออนะเอาออแพรอออีกนมากลางแจบดูมันทำสิแล้วสร้างสุราทำไมพี่น้องครับต้องอธิบายให้ญาติพี่น้องฟังใช้เวลามั้ยใช้เวลาครับ เมื่อก่อนไมโครโฟนแต่งงานเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมไมโครโฟนร้องเพลงอาราบกับเพลงอินเดียกลัวจะบาดเอาเพลงไทยก็จะบาดเอาเพลงอินเดียเลยอินเดียมันยิ่งกับเพลงไทยอีกคำแปลมันน่ะ <laughs> ปิยาเรปิยาเรทั้งเรื่องรักหมดเลยผมอันภาษาอุตดูรู้ <laughs> เอาต่อมาครับอายาที่ห้าสิบเก้า قالوا ما فعل هذا ب ا ل إ ن ن ه ت ن ا إنه لمن الظالمين คืออายาที่หาห้ดเนี่ยละอัลลอฮุมยยอินไลฮีญาติเดียวกันมีสองความหมายนความหมายหนึ่งเข้ามาถามบิบรอฮีมว่าทำลายทำไมท่านก็จะตอบเป็นข้อข้อข้อข้ อ, ขอ หรืออีกยังไปแแวงว่าหลังจากตอบแล้วเข้าใจแล้วเขาก็กลับเนื้อกลับตัวไปหาอ AH. ัลลอยัตเดออูนอิลไลฮ์อิลลัลลอหก็ได้มีสองความหมายนะกลับเนื้อกลับตัวเรียนาศาสนาเข้าใจาศาสนากลับเนื้อกลับตัวเตาบ้าตัวไปหาอัลลอฮ์ทิ้งของชิริกทั้งหมดก็มีความหมายได้นะครับอายาที่ห้าสิบเก้าก็ูพวกเขากลับมาจากไปฉลองวันอะไรนะ วันรื่นเริงจบแล้วก็กลับมาพอกลับมาก็มาเห็นนี่แหละมาเห็นรูปจวเวศทังหมดแล้วถามว่าไงก็รูพวกเขากลับมาแล้วเห็นแล้วก็ถามว่ามั่นฝาละใครบังอาจทำเช่นนั้นมั่นฝาลาฮหจ่ะใครบังอาจทำเช่นนี้เป็นคำถามเดียวกันวันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าของที่เรารักของที่เราบูชาของที่เราชอบถ้าใครมาทำลายก็พูดคำนี้ใช่ไหมใครทำวะใช่หรือไม่ใช่นี่มันมันสัจธรรมเป็นเรื่องจริงอัคีดาของคนเหมือนกันหมดทั่วโลกใครทำมั่นาละห า, าใครทำอย่างนี้มันคนนี่กล้ามาทำอย่างนี้ใครกล้ามาทำมั่นฝาละหาจะบีอาลีฮตีนา แกพระเจ้าต่างๆของเราเป็นปรอุพจ์ใครมาทำปูยี่ปูยมกับพระเจ้าต่างๆหรือพระเจ้าย่อยๆของเรากล้ามากคนนี้มาทำลายรูปเจ้าเวทของเราได้และพูดต่ออีกอินนหูลามีนัลลอฮิมีนใครก็ตามที่ทำเช่นนี้แท้จริงคนนั้นนะ่ะเป็นคนเลว นี่ใครพูดนะคนพูดมันจะอโลอพูดคนที่บูชารูปเจเวตพูดว่าคนที่ทำลายรูปเจเวตของฉันคนนั้นเป็นคนเลวเป็นคนรอดเมพี่น้องตกลงว่าคนที่เอาซุนนะเข้าคลองพาซุนนะเข้ามัสยิดพาซุนนะเข้าหมู่บ้าน แล้วก็ทําลายอากีด่าความเชื่อปูญาตายายออกไปคนที่ทํานั่นเป็นคนเลวใช่ไหมไม่ใช่พ่อชาวบ้านพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฉะนั้นคนที่นำเอาซุนนามาซุนานาเป็นของจริงที่อลัลลอฮ์ส่งเสริมใช่ไหมวกเอาซุนานาอับบิไปใช่นาะคนที่นําเอาซุนานาอับเบิเข้ามาจะทําให้ประเพณีปฏิบัติมันหายไปคนที่นําเอามาใช้นั่นถูกด่าว่าเป็นจอเลมแบบคนทําลายรูปจะเบตอิบรอฮมเหมือนกัน ฉนันเลยมันไปเครียดถ้าเขาดา่าถ้าเขาไม่ดา่าเห็นหน้างง ง, งเอ๊ะทำไมไม่ด่าเลยอุษาเอาสุนย์หน้ามาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเคยอาจารย์สองข้งวันนี้มีอาจารย์ข้างเดียวที่มสัสยิดดูดดูดูดดดไม่เห็นมันต้านเลยช่างงถ้าต้านาแสดงว่าเหมือนนบีอิบราฮิมเหมือนนบีมูฮัมมัดเหมือนนบีมูซาทําเหมือนนบีโมซาเลยคนนี้ ฉะนั้นคนที่นำเอาของดีมามาม า, มาใช้ในหมู่บ้านเนี่ยถามว่าถูกด่าไหมถูกดา่าแบบนี้แหละอินนัหูลาเมนอฟลอลิมินคนที่ทำลายรูปเจวเวตเป็นคนเลวขันนำอัซุนานะ บ, บีมาใช้เป็นคนเลวใครพูดชาวบ้านพูดเชื่อได้ไหมเชื่อไม่ได้พี่น้องได้ได้ข้อคิดเยอะนะพี่น้องนะตลงว่า คนที่ทําลายรูปเจเบตในทัศน์าของอัลลอฮ์เป็นคนดีแต่ทัศนาของชาวบ้านเป็นคนเลวน บ, บีอิบรอฮิมเป็นคนดีในทัศนะของอัลลอฮ์แต่เป็นคนเลวในสายตาของคุณพ่อเป็นคนเลวในสายตาของญาติญาติพี่น้องเอาเชื่อกันเอาเชื่อกันเชื่ออัลลอฮ์โดยเชื่อเ ช, ชื่อคุณพ่อน บ, บีอิบราฮิมถ้าเชื่อคุณพ่ออิบราฮิมกับพวกเราวันนี้ที่แอนติสุนา่าน บ, บีละเหมือนกันนะครับถามว่าคุณพ่ออิบราฮิมไปยุบไปสวรรค์ไปนรก เอาอายะสุดท้ายกาลูซ ه เมาะนาฟัตัน Yazukuruhum y u q าล พวกเขากล่าวว่าสมิอาณาเราได้ยินที่ได้ยินเนี่ยนบีอิบรอฮิมสาบานต่ออัลลอว่าฉันจะทำลายรูปใจเว็ดนึกนึกกับได้ยินนี่อัลลอฮต้องการจะให้ให้ชนริมริมนบีอิบรอฮิมนั้นได้ยินว่านบีอิบราฮิมวางแผนทำอะไรอ <All> ah. ัลลอฮฺสัมอาณาฟาตันฉันได้ยิน คนที่จะททำลายรูปเจเวตเป็นคนอะไรครับฟาตันคนอะไรคนหนุ่มเป็นคนหนุ่มฟาตันตะวันหนุ่มอาชาบา้าอาเป็นฟาตันเป็นชาบา้าเป็นคนหนุ่มตกลงนบีทั้งหมดที่มาในโลกนี้เป็นคนหนุ่มหรือคนแก่คนหนุ่มทั้งหมดฉะนั้นคนที่จะทำงานศาสนาหนุ่มดีหรือแก่ดี หนุ่มดีนี่ ค, คุณอ่านครับนบีสอนอย่างนี้นะครับท่านอิบนะอับบาสบัญญัตินบีอธิบายบอกว่ามาบะอัลลอฮูนบียันอิลลาัชาับันอัลลอฮ์เนี่ยไม่เคยแต่งตั้งนบีคนใดเป็นคนแก่นอกจากเป็นคนหนุ่มหมดเลยที่ท่านคนหนุ่มเนี่ต้องรักษาท่านไว้ให้ดีอลัลลอห์ใช่ไหมคนหนุ่มรักษาเอาไว้ลูกชายเราเป็นคนหนุ่มต้องมีศาสนา เพราะคนหนุ่มเนี่ยทำอะไรเนี่ยยิ่งหน้าตาหล่อๆด้วยยืนพูดเนี่ยอ๋อหรือเป็นอิมามหรืออ่านคูดบ้านนี่มันมันมันทดูเลยเหรเป็นคนหนุ่มที่เตจยาแล้วเป็นยังไงขอบบอ้อบุคลของใครนะ่ะพูดจะเรียวพ่อกับแม่ในคะรอบครัวนั้นสอนลูกไม่ได้พี่ท้องครับไอ้ลูกเนี่ยเราเนความสามารถของพ่อแม่จำกัดนะต้องอาศัยอัลลอด้วยนะ อลัลลอฮ์จะดูแลลูกฉันด้วยนี่พ่อแม่บางคนไม่เคยขออุนาผ่านอลัลลอฮ์นอ่ะอันที่ท้องสังเกตเนี่ยไอ้นี่เนี่ยกล้องกล้องกลองเนี่กล้องทีวีเนี่ยที่ออกสวนอยู่นี่น่ะเราจะส่งไปตามบ้านน่ะต้องขึ้นไปไหนก่อนดาวเทียมก่อนใช่ไหมขึ้นทางบนก่อนจะส่งมาข้างล่าง อ, อันนี้ก็เหมือนกันเราเองเหมือนกันอ่ะต้องเพิ่ออัลลอฮ์ก่อนอลัลลอฮ์จะลูกฉัน ส่งมาหน่อยทีวีเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ของธรรมดาดุลมยาเห็นชัดๆเนี่ยมันจะส่งตามบ้านเลยไม่ใช่ต้องขึ้นข้างบนก่อนแล้วก็ส่งลงมาอีกทีหนึ่งเราเหมือนกันหัวใจเราต้องผูกพันกับอัลลอฮ์ขึ้นข้างบนก่อนแล้วก็ส่งลงมาอีกทีทำอย่างไเห็นอย่างกัรพี่น้องมันเป็นฮักกลเป็นความจริงเป็นสัตร ธ, ธรรมทั้งหมดมันจะอลัลลอฮ์หมดเลยนะครับพี่น้อง กอรูสามีอาาฟะตันฉันได้ยิ น, ค น, นคนหนักคนหนุ่มอ่ยากกูรุหุมเขาพูดกันอ่หรือว่าคนหนุ่มพูดว่าไงนะละอากีดั น, นอัสนามากุมฉันวางแผนที่จะทำลายตอนที่ท่านนบีพิมศาบานในใจเนี่ยคนนี้ได้ยินและมาเล่าต่อ อ ข, อข้อที่สองวลาอตทยาลัยลลมาอาลิมอิลลาหัววชบับอัลลอฮฺเนี่ยจะไม่ประทานความรู้ให้กับใครให้เป็นคนอันเลเลมนอกจากเป็นคนหนุ่มท่านคนอายุหกสิบจะหวังว่าอัเลเลมนะี่ยประคองตัวอย่างเดียวก็พอแล้วมาต้องอัเลเลมแล้วฉะนั้นคนหนุ่มโอกาสจะมีความรู้เพิ่มได้ไหมได้เลยอย่างอย่างท่งทานเนี่ยเป็นทาฟริรสด้วย มีความรู้เพิ่มง่ายไม่ง่ายแค่นั้นคนอาเลมต้องเป็นคนหนุ่มนบีเป็นคนหนุ่มท่า น, นลูกชายเราเป็น้องต้องมีาศาสนาตอนคุณหนุ่มนี่แหละจะทําอะไรสเแดงได้หมดเลยทำดุลิลล่าดูน้องทีนี้คนหนุ่มอายุเท่าไหร่อิหม่ามชาฟีกับอิหม่ามคานาฟีนี่นะ่ะทัศนะสองคนเนี่ยให้ความทัศนะไม่เท่ากันอิหม่ามชาฟีบอกว่าอายุสามสิบคนหนุ่มกอดี อิมามอบูฮานิฟ่าบอกว่า40ผมเข้าวข้างทางอิ ม, ม, มามอาบูนิฟ่าเหมือนนบีอิบราฮิมอายุเท่าไหร่อายุ40พี่น้องครับถ้าหาจะให้ลูกเรียนหนังสือนะอายุ39 38จบด็อกเตอร์ก็ยังดีแล้วก็40มาทำงานความรู้ประสบการณ์ชีวิตเยอะมากเลยจะสอนศาสนานีพี่น้องออกดีมากเลยท่านขออนุอาตอตลอดล นะคนหนุ่มทลาย30คนหนุ่มอายุ40ทัศนะอิหมามนะไม่เชื่อก็ได้เพราะมันเป็นทัศนะของอิหมามแต่ถ้าอัลลอ์พูดนบีพูดต้องเชื่อแต่อิหมามพูดเชื่อไหมไม่เชื่อก็ได้เพราะมันไม่ได้บังคับให้เชื่อแต่ว่าเป็นทัศนะที่ต้องนำเอามาคิดนะนะตัลองว่าอยู่กอลูลหูอิบรอฮีมเขาเรียกกันว่าอิบรอฮีมมีชื่อเรียกว่าอิบรอฮีมจะต้อง ตั้งชื่อนะตั้งชื่อลูชาอิบรอฮิมดีไหมดีแต่ต้องรู้ว่าความเป็นมาของอิบรอฮีมเป็นยังไงอิบรอฮิมมันจะชื่อภาษารับนะมันชะเป็นภาษาดับ <c oughs> แล้แปลก็ไม่ได้ด้วย <c oughs> ไม่รู้แปลว่าอะไรภ <c oughs> <c oughs> าษาโบราณโบราณนะ <c oughs> แต่ชื่อเพราะมา brahim, อิบรอฮิมพอแต่พวกเราเรียกไอฮิ im, แมแหมมันแสบจริงๆ <c oughs> Allah k a p i Nas Subhanakalauhumma Wabiyahmni Ghusyallailah Ilaanda Astaghfirka Wa t u b a i l a i k Selamalikumarhamadullahumbarokatuh.